วันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันที่สิบเก้ากันยาห้าสองอีกสองอาทิตย์ก็เป็นวันออกพรรษาของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเรื่องสมท า, านศีลหรือว่ารักษาศีล ก็ขอให้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ตลอดรอดฟังคือจะให้ล้มเหลวในการตั้งคำสัตย์จริงของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งเป็นวันรักษาศีลหรือว่าสมาทานศีลถ้าถามว่าถ้าว่าผมมีธุระจำเป็นจะต้องขาดรักษาศีลสักวันหนึ่ง หรือว่ามีอุปสรรคด้การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีอุปสรรคจําเป็นถ้าขาดสินวันหนึ่งที่ไม่ได้มาจะทํำยังไงหลวงพ่อนะคือมันจะเสียสัตจจะไหมอันนี้ถ้ามีความจําเป็นจริงเราก็ชดเชยเพราะงั้นรักษาศินชดเชยอีกวันไหนสะดวกเราก็รักษาศินรักษาที่บ้านก็ได้เพราะว่าพวกเราไหว้พระตอนเช้า เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลชดเชยวันที่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปสมาทานศีลในวันนั้นเพราะว่าข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะรักษาศีลทุกวันพระแต่ข้าพเจ้ามีธุระจำเป็นจะต้องขาดแต่ข้าพเจ้าขอชดเชยอย่างนั้นก็ได้นะไม่ใช่ว่าขาดแล้วขาดไปเลย ไม่ปัไม่ชุนนะ่ะไม่ได้นะเหมือนกับผ้าขาดเนะี่ยถ้าผ้าขาดแล้วถ้าเราไม่ปกักไม่ชุนมันก็เป็นรูโวอยู่อย่างนั้นอนะ่ะคิดขึ้นมาได้ได้เวลาใดเราก็ว่าเออในพรรษานั้นข้าพเจ้าศีลขาดข้าพเจ้าขาดสัจจะเนะี่ยมันไม่เป็นผลดีทางด้านจิตใจของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรามีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจถ้าว่ามันมีความจําเป็นก เพราะโลกนั้นเป็นโลกอนิจจังของไม่เที่ยงเราประกันไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวก็จจาเป็นจะต้องได้ไปจุดนั้นก่อนแต่ถึงยังไงพอเรามีเวลาเราก็จะต้องย้อนหลังหรือว่าชดเชยในการรักษาศีลรักษาธรรมของพวกเราอย่างไหวพระสวดมนต์เหมือนกันทางว่ามันเลิมวันลืม เมื่อคืนมันลืมตอนนั้นอ่ะมันนอนหลับก่อนแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยวันนี้เราทําวัดสองครั้งก็ยังได้ทําไมมันลืมเพือเผยยังแถมออนสามมาอีกทําไมมันลืมเอาอย่างนั้นไปชดเชยคือไม่ให้ขาดคือให้จริงจังและจริงใจอยู่เสมอนี่แหละอันนี้แหละคือการสั่งสมคุณงามความดีถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในจิตในใจอยู่อย่างนี้ต่อไปก็พวกเราก็จะตั้งหลัก หลักจิตหลักใจเราได้เรานึกคิดย้อนหลังเมื่อไหร่เราก็ภาคภูมิใจที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำมาไม่ขาดตกบกพร่องเป็นสัจจ์ความจริงจังและจริงใจของพวกเราวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเป็นวันพระขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านอย่าไปถือว่าศิลธรรมเป็นของคนอื่นไกล ให้เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราศีลธรรมเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขความเจริญแลอความสุขความเย็นใจก็ขอให้พวกเรามุ่งมั่นต่อศีลธรรมศีลธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องนําจิตใจของเราให้ประสบความสุขความเจริญได้เพราะศีลธรรมเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนน้าที่ใสสะอาดมาชะล้าง มนทินคือโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะออกจาก จ, จิตใจออกกะจากความประพฤติของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้ประกอบคุณงามความดีให้มีศีลธรรมจริยธรรมและก็อย่าลุ่มหลงมัวเมาไปทางโลกวัตะสงสารจนเกินไปเพราะชีวิตของพวกเราก็เท่านั้นพิจารณาดูให้ถีท่วนแล้ว ชีวิตของพวกเราก็เท่านั้นเท่านั้นก็คืออะไรเมื่อแก่เท่าชราก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่ออายุแปดสิบเก้าสิบปีแล้วก็หมดสภาพแล้วก็ถึงจุดจบแล้วมีอะไรอีกมันก็เท่านั้นแต่ว่าคาว่าเท่านั้นคำนี้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษาแล้วที่ว่าตายแล้วไม่ศูนย์เนี่ยแต่เนี่ยมันไม่เท่านั้นท่เนี่ยถ้าว่าตายแล้วศูนย์ มาปปุนไม่มีก็ไม่จําเป็นจะต้องสั่งสมคุณงามความดีเหมือนกับวันพุ่งนี้ไม่มีอย่างเนี้ยวันมีแต่วันเดียววันเนี้ยเราก็จะไปสะสมเงินคําทรัพย์สมบัติให้โง่ทําไมเรามีเท่าไหร่เราก็กินให้หมดเจ้าวันนี้เก็บไว้ทําไมวันพุ่งนี้แต่นี่วันพุ่งนี้มันมีเรื่องเมื่อวันพุ่งนี้มีเราก็ต้องสะสมเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อวันอนาคตวันพุ่งนี้เราจะได้ใช้ เมื่อข่าวจำเป็นนะเพราะนั้นบุญกุศลก็เช่นเดียวกันที่เราทำในวันนี้สั่งสมในวันนี้ก็เพื่ออนาคตคือพบหน้าชาติหน้าพวกเราจะต้องได้เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแต่หลวงพ่อได้พูดมาหลายวันพระเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธินะจะเอาเรื่องสมาธิวันนี้ ก่อนที่จะทําสมาธิเพราะพวกเราในห่างเหินเรื่องทําสมาธิสมาธิถือว่าเป็นของพระสงฆ์หรือว่าเป็นของผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาศีลอยู่ในวัดวาผู้ใส่เชือขาวหรือว่าใส่ชุดขาวหรือว่าใส่ขาวดําเข้ามาสู่วัดเท่านั้นจึงจะเป็นผู้เหมาะสมในการภาวนาปฏิบัติแต่ตามที่จริงไม่ใช่แต่พวกเราต้องการความสุขจู จิตใจของพวกเราถ้าพวกเราต้องการความสุขทุกคนทุกคนก็ต้องพยายามทาใจเพราะทุกสุขมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจความทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยให้ดูใจให้บังคับที่ใจให้ตรวจตราดูที่ใจอันไหนที่มันจะมาให้ทุกให้สุขแต่หลักใหญ่ ในอริยสัจ ท, ทุกขสมุทัยนิโรธมักในหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้คําว่าทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั่นคืออะไรกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาสรุปแล้วก็คือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานัมันมีอยู่แล้วในโลกเหมือนกับมีดบังตอหรือว่าของมีคมมันมีอยู่แล้วสามเล่มเพราะนกันเถอะแต่เราเนี่ย เอามีดเอาเท้าไปเตะมันไปเหยียบของที่มีคมเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเรารู้แล้วว่าของนั้นมีคมเราก็ทำใจของเราดูแล้วอย่าไปเตะอย่าไปเหยียบมันอันนี้คือมัจมัจคือความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจาก ม, มนโตอาชีววายโมสติสมาธิอันนี้คือเราไม่ไปเหยียบของที่มีคมนั้น ในเมื่อเราไม่ไปเหยียบของที่มีโคมนั้นใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจของเราก็หลุดพ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาเหยียบย่ําจิตใจของพวกเราอันนี้ว่านิโรธคือความดับทุกข์นี่แหละทีนี้มาย้อนถึงการปฏิบัติของพวกเราทุกๆ ท, ท่านใครๆก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นสสแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเราค้นคว้าศึกษาด้วยซิ อันไหนคือความสุขที่แท้จริงของเราคนมีเงินคำทรัพย์สมบัติมีความสุขใช่ไหมก็กลัวคนจะมาแย่งมาชิงมาคดมากงมาเบียดมาบังก็เป็นทุกข์ในจิตในใจหาวิธีการป้องกันทรัพย์สมบัติของตนเองไม่ใช่น้อยเหมือนกันอันนี้ก็คือคนที่มีทรัพย์ถ้ามีลาบอันนี้ลาบก็คือทรัพย์มียศก็เหมือนกันถ้ามียศฐาน ร, ราศกตําแ่งสูงขึ้นไปก็ กลัวคนจะมาเบียดมาเลื่อยขาเก้าอี้ตัวเองมาชิงตัวเองอันนี้ก็ต้องปกป้องเอาไว้อีกเหมือนกันมันก็ไม่หาความสุขไม่ได้อีกเหมือนกันนี่แหละทั้งราบทั้งยศชันและเสือก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญเราวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงจึงจะไม่ให้เขาด่าเราอันนี้เป็นปากของเขานี่บางทีเขาเข้าใจผิดเขาอาจจะด่าเราก็ได้อันนี้ก็คือความสุข มันก็ไม่อยู่ในจุดนี้อีกสุขที่แท้จริงคืออะไรนอกจากทําใจต้องดูที่ใจท่นี้เพราะพุทธเจ้าท่านว่าถ้าชําระใจให้บริสุทธิ์เมื่อไรใจของเราเป็นอมตะธาตุอตมตะธรรมจิตใจไม่วันไหวไกวแหว่งจิตใจมั่นคงจิตใจสแตนดาร์ดจิตใจไม่มีการกระเพื่อมเมื่อไรเมื่อนั้นแหะคือความสุขที่แท้จริงนี่แนหะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราทําอย่างไร ในหลักของพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาก็คือทําสมาธิดิเนีเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องทานเรื่องศีลจะพูดเรื่องสมาธิสมาธินี่ทําอย่างไรดิเนสาหรับคณะสัต ธ, ธา ญ, ญาติโยมชาวบ้านของพวกเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านในเรือนเราจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องทําสมาธิทําสมาธิเนี่ยต้องหาหมุมสงบจะไม่มีมุมที่วุ่นวาย ถ้ามีมุมที่วุ่นวายแล้วทําสมาธิไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะว่าเสียงทั้งหลายความวุ่นวายทั้งหลายเป็นพิษภัยต่อสมาธิอย่างมากใครเข้าว่าเป็นอริศัตรูกันฝ่ายตรงกันข้ามกันเล ย, ยงั้นเถะดําดกับขาวเลยอย่างนั้นเถอะแคะว่าทำนี่คือขาวเสียงทั้งหลายเสียงรบกวนทั้งหลายดำว่างั้นเถะเพราะนั้นเพราะนั้นดํากับขาวนี่ให้พวกเราดูไทีนี้น ดูใจดูใจของพวกเราจะทำยังไงมันจะไปทางขาวได้สนิทเรื่องสมาธิท่า้เข้าทา ม, มาถึงจุดนี้ลหละเราขอให้พวกเราพยายามนั่งถ้าเราอยู่ตามลำพังเราต้องหามุมสงบอย่างที่ว่านั่นนะถ้าวันไหนมีเสียงโทรทัศน์วิทยุหรือเสียงคู่คนพกผ่านวุ่นวายเราก็ต้องหามุมสงบ ถ้ามีสวนยางอย่างพวกวันนี้ก็นนะ่ะไปทํากระทบก็ทํำกระทบ อ, อยู่ที่ว่างๆอยู่ในสวนยางที่โล่งๆสักหน่อยแลวก็มุงหญ้าเสร็จแล้วกันนะ่ะทาทางเดินจงกลมด้วยที่นั่งภาวนาด้วยอย่างนั้นมุมสงบถ้าเราเดินไปได้นะถ้าเราอยู่ในบ้านหรือว่าเราอยู่ในบ้านเราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องปิดวิทยุปิดโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนในขณะที่เรานั่งสมาธิ จากนั้นก็ก่อนที่จะนั่งถ้าเป็นไปได้ถ้าว่าก่อนนอนละทีนี่เราก็ไหว้พระก่อนไหว้พระเนึงเราจะหาห้องพระตั้งพระพุทธรูปขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้ามีทุกแห่งทุกหนอยู่ที่ใจของเราเราลําลึกถึงเมื่อไหร่พระคุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในตัวของเราทุกเมื่อทุกขณะทุกเวลาเพราอนั้นเวลาเราจะไหว้พระเราก็ หันไปทางที่สูงรวบาที่หมอนของเราเ น, นี่นนะั่นก็กราบพระนั่งคุกเขา่าแต่เป็นโยมผู้ชายก็นั่งคุกเขา่าแต่เป็นโยมผู้หญิงก็นั่งเพียบให้สุภาพถึงจะใครเห็นไม่เห็นก็ตามเทวดาอารักษ์มองเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความเรียบร้อยอยนันก็กราบกราบพุทธโธธรรมโมสังโฆกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พอกราบเสร็จแล้ว เราก็นั่งสมาธิเราจะนั่งพับเพียบก็ได้เราจะขึ้นนั่งเก้าอีก้ก็ได้ถ้าเราสวดมนต์ได้ก่อนนอนน่ะเราก็สวดมนต์ซะก่อนอระหังสวาคาโตสุปฏิปัโนนมโมตัตสะจากนั้นก็พุทธังธรรมังสังขังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็อิติปิโสภควาอรหังสวาคาโตสุปฏิปัโนแต่ละครั้งกับวักกาเยด้วยนะคําว่ากาเย่ในพูด ขึ้นมาเนี่ยครับข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสั้งรวมระวังต่อไปอันนี้คือกาเยนะความหมายด้วยความแปลของกาเยจากนั้นก็ถ้าเป็นไปได้แล้วก็สวดอย่างที่หลวงพ่อพาสวดชราธรมมหิดให้ระลึกถึงอภินาฮะปัจเจเวคณะให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา เราไม่ควรจะประมาทลุ่มหลงมัวเมาในวัฏสงสารนี่จนเกินไปอันนี้เราก็สวดจากนั้นอะหังสุกิโตโฮมินี่คือแผ่เมตตาสัพเพสตาสดาหนตุอย่างเนี้ยเราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ถ้าเราสวดไม่ได้เราก็ว่าอะระหังสวากาโตสุปฏิพนโนนโมตตะพุทธังทรมังซังขังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาเลยก็ได้เราบอกว่าเออข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นสปปรรพสัตว์ทั้งหลายขอทกวิญญาณทั่วไตรโลกระฐานขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพียงเท่านี้แหะรวบรัดเลยก็ได้จากนั้นพอไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยใจของเราก็จะปลอดโปร่งเพราะเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับดวงวิญญาณใครๆทั้งหมดในจักรวาล น, นี้ภาพข้าพเจ้า เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําดีข้าพเจ้าจะต้องได้รับผลดีถ้าขาา้าพเจ้าทํากรรมชั่วข้าพเจ้าก็จะได้รับสิ่งที่ชั่วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าแต่จะทําแต่กรรมดีจากนั้นก่อนนั่งสมาธิแหละอยู่ในมุมสงบอย่างที่ว่าน่ะมุมสงบนี่คือต้องมีต้องคิดไว้อยู่เสมอว่ามุมสงบจะไม่มีเสียงโทรทัศน์ไม่มีเสียงวิทยุจะไม่มีเสียงโทรศัพท์อยู่ในมุมสงบ จากนั้นก็นั่งสมาธิอะไรตันี้เท่าที่จะสงบได้นะไม่ใช่ว่าทุกอย่างให้สงบจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอสมควรให้รู้ว่าสมาธินี้กับเสียงทั้งหลายเป็นปฏิปัติ์ต่อกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเหมือนขาวกับดำอย่างนั้นแ่ะเพราะนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหลีกเลี่ยงเสียงทั้งหลายที่จะมารบกวนในสมาธิของเราจากนั้นเพื่อได้ที่แล้ว เรานั่งขัดสมาธิก็ดีนั่งพับเพียรก็ดีนั่งเก้าอี้ก็ดีหรือนั่งพิงถ้าผู้สูงอายุก็นั่งพิงต้นเสาแล้วก็ดีไงเราก็ปนมมือซะก่อนเลก่อนที่จะนั่งสมาธิปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตย์อื่น วิญญาณอื่นทั่วใจโลกธาตุขอจงเป็นสุขข้าพเจ้าจะไม่ผูกพยาบาทอาคาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดทุกวิญญาณจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงกับบริกรรมเลยกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่บางคนก็บอกว่าไม่เคยภาวนาจะกําหนดยังไงก็สืบลมหายใจเข้าจมูกแรงๆดูหายใจแรงๆดูสืบลมเข้าไปสองสามสี่ครั้ง เรารู้ได้ว่าเออลมมันเข้าจมูกเราจริงๆแล้วก็เวลากระแทกลมออกแรงแรงลมกระทบที่ไหนลมเวลาหายใจเข้าลมกระทบที่ไหนเวลาหายใจออกลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจ่ออยู่ที่ลมกระทบที่ปลายจมูกของเราคือผ่อนผ่อนผ่อ น, อนลงเสร็จแล้วก็เราก็รู้ได้แล้วว่าเออลมกระทบตรงนี้เราก็กาหนดลมเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุท เวลาหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงอย่าไปเครียดอย่าไปตั้งจ่อจนเกินไปคือให้มีสติสัมปชัญญะแต่ว่าสติตัวนี้จะทําเลื่อนลอยไม่ได้ต้องเข้มแข็งเหมือนกันต้องเข้มแข็งต้องจดจ่อพอสมควรใหม่ๆเนี่ยจ่อจุดๆนั่นแหละกาหนดอยู่จุดๆนั่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไม่ให้จิต ไปทางอื่นนี่แหละวิธีการทาสมาธิจากนั้นจิตใจของเราไม่ส่งไปทางอื่นจิตใจของเราจอ่อยุดจุดนั้นอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใจของเราไม่ได้เราตัดขาดออกหมดเลยอารมณ์เรื่องต่างๆเรื่องบริหารจัดการเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องการเรื่องงานเรื่องภายนอกภายในอะไรก็ตามเราไม่เอามายุ่งทั้งหมดในขณะที่เราสมาธิ ถ้ามันจะจีพายก็ให้มันจิีพายไปเพียงสามสิบนาทีไม่ให้เราไม่ให้คิดเนี่ยมันจะอะไรจะเกิดขึ้นน่บังคับอยู่ถึงขนาดนั้นพอจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเท่เนี่ต่อมาเราไม่คิดปุงฟุ้งออกไปข้างหนอ่อจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งทเท่นี่นะมันจิตใจจะเย็นว่าบสบายเนี่จิตใจของเราเริ่มเป็นสมาธิแล้วท่นี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัยตยาธิโยม ทุกทุกทันนะวิธีการทำสมาธิไม่ยากทีนี้เมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตใจสงบรุ่มเย็นเป็นสุขแล้วเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาเราจะรู้ได้เราจะทันกับเหตุการเรื่องนั้นๆเราจะไม่ทุกข์ไม่โศกในเรื่องต่างๆที่มากระทบกระแทกทางด้านจิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่กาบังนะ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราก็ว้าเวิอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมทุกข์อยู่กับเรื่องต่างๆในโลกกะธรรมแปนั่นนหะมีลาบขึ้นมากับดีใจเมื่อเสื่อมยะลาบลงไปกับเสียใจเมื่อได้ยศขึ้นมากับดีใจเมื่อเสื่อมยศลงมากับเสียใจมันขึ้นๆลงๆใช่ไหมเช่ว่าใจไม่มีกำลังแต่ถ้าว่าใจของเรามีเกราะมีที่กำบังมีสมาธิในจิตในใจแล้วมีอะไรมากระทบกระแทก เรากูวิ่งเข้ามาหาสมาธิทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจากนั้นก็นกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนี่แหละสมาธิมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างนี้สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เรื่องของพระเท่านั้นพระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้สําหรับพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาทําได้ทั้งนั้นทว่าผู้ใดก็ตามต้องการความสุขความเย็นใจทางด้านจิตใจเลยคือสมาธิความสุขที่แท้จริงหรือความสุขมาจากไหน หาที่ใจไม่ใช่หาที่อื่นถ้าหาว่าถ้าหาว่าใจของเราทุกสิ่อย่างเดียวเท่านั้นถึงจะมีเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์แต่มีเรื่องน้อยนึงที่มันมากระทบใจเราก็ไปทุกข์อยู่ในใจอยู่อย่างนั้น่ะเพราะเหตุใดสิ่งอื่นมันมีหมดแต่ทําไมมันจึงมีทุกข์ใจเพียงจุดเดียวเท่านั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือความสุขเนี่ยมันไม่อยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นสมาธิคํานี้แหละท่านให้กําหนดดูใจจิตทําให้ใจของเราไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ส่านใจของเราไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ต่างๆนี่แหละขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติยมทุกท่านลูกหลานทุกคนเนะี่เรื่องฝึ ก, กจิตภาวนาเนี่ยเป็นทิ่ที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งถ้าเมื่อเราฝึกหัดดีแล้วต่อไปอนาคตของพวกเราเมื่อเราเท่าแก่ชลานะ ใจของเราจะไม่ว้าเวีอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมกับเรื่องต่างๆเราจะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทุกคนก็จะต้องไปอย่างนี้แหละทุกคนต้องไปอย่างนี้แก่แล้วก็เจ็บถึงไม่เจ็บแล้วก็ตายใช่ไหมใจถามความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรานะ่ะคือใจใช่ไหมใจเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ ชั่วฟ้าดินสลายจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจใจก็ตอบว่าไม่ใช่เขาเป็นยังไงล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าระดับไหนสูงส่งขนาดไหนตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกร่างกายสังขารก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแก่เจ็บตายมีจุดจบเหมือนกับพวกเราเพราะนั้นพวกเราจะวิเศษวิโสไปจากไหนร่างกายของเราเนี่ยมีจุดจบ แต่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจเท่านั้นล่ะที่เลิศประเสริฐพราะพุทธเจ้าประเสริฐที่ใจพราะพุทธเจ้าได้ตัดสรุปธรรมตัดสรุปที่ใจพระหรหันทั้งหลายตัดสรุปธรรมตัดสรุปที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปูพัง ข, ขา ม, มาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจความสุขที่แท้จริงให้ค้นหาที่ใจนะไม่ใช่ค้นหาที่อื่นนะ สิ่งภายนอกเป็นสิ่งส่วนประกอบเท่านั้นเองถ้าใจของเรามีความสุขแล้วถึงจะอยู่ในป่ารงพงไพในครั้งพระในครั้งพุทธญาท่านก็ยังว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอเพราะไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเข้ามาเกี่ยวข้องตัดกิเลสออกราคะโทสะออกจากจิตใจขององค์ท่านแล้วองค์ท่านไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจของท่านทุกข์ทุกข์ขึ้นมาได้เพราะท่านท่านนี่ว่าสุขหนอสุขหนอไปที่ไหนมีแต่เปล่งวาจวาเพราะสุขหนอ ให้ข้าว่ากิเลสไม่มาเข้ารบ ก, กวนจิตใจของท่านสรุปแล้วคือความสุขในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ค้นคว้าศึกษาคือให้หาความสุขในใจเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทุกระดับที่มาฟังสัมโมทิธนิยกถาในวันนี้หลวงพ่อเน้นหนักเรื่องสมาธินะ เพราะเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วเรื่องสมาธิพิธีการทําสมาธิทําอย่างไรหลวงพ่อก็ได้แนะนําหามุมสงบอย่าให้มีเสียงอึกระทึกและกระลีกเล้นหามุมสงบจากนั้นก็นั่งสมาธิดูใจของตนเองมิให้ใจของเราปงฟุงไปทางอื่นให้กําหนดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่หลวงพ่อไม่ได้แนะนําหลายอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวซะก่อนในวันนี้ คือพ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันถอะว่ากรรมาฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมาฐานที่ถูกกับทุกจริตเกือบทุกจริตผู้เริ่มภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะัทธาญาติโยมนะบริกรรมภาวนาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในหลักของพุทธศาสนาถะว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เรื่องทาสมาธิท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษา ศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเยือกเย็นครั้งหนึ่งไม่ได้บุญกุศลมากถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายยา่ามองข้ามถ้าใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วลูกหลานญาติพี่น้องก็เย็นไปด้วยถ้าใจของเราร้อนสัยอย่างเดียวนะใจของเราเป็นไฟสัยอย่างเดียวนะสามีภรรยาครอบครัวลูกหลานทุกใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องก็ร้อนไปหมด แต่ถ้าเราใจเย็นทุอย่างมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมในจิตในใจในผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันเพราะนั้นการพูดและการกล่าวสมุทรียกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเพราะว่าเป็นวันพระก็จะได้แนะนำให้คณะรัต ย, ยายาโจมได้ฟังแนวความคิดแต่ละมุมแต่ละเรื่องราวแต่ละมุมที่หลวงพ่อจะได้นามาว่าเพราะพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมีมากหลากหลายถึง 84,000 พันพระธรรมมขันธ์เพราะนั้นหลวงพ่ออยู่วงในคือเป็นพระสงฆ์ก็ได้หยิบยกให้แก่พวกเรามาฟังเพื่อการศึกษาจากนั้นกับพวกเราขอให้ไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่ายายใจของพวกเราความสุขในหลวงพ่อไม่ได้แบ่งเอาจากพวกเราหรอกพวกเราเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ มีความสุขในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเองนะหลวงพ่อ่าหาของพ่อเองเหมือนกันพวกเราก็หาพวกเราเองเหมือนกันเพราะทันขอให้พวกเราหาความสุขใส่จิตใส่ใจของพวกเราการพูดการแนะนำวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเอาต่อเนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร